คุณนมีอะไรคุยกับหลวงพ่อคุยเลยนะเพราะว่าเย็นหลวงพ่อต้องเข้ากรุงเทพวันนี้เข้าปล่อยๆภาระเยอะก็รู้สึกว่ายังมันมันมีความยึดอยู่ค่อนข้างมากครับหลวงพ่อครับและไอความยึดนี้มันก็เลยทำให้มันให้ทำให้ไม่ค่อยเป็นกลางครับเวลาที่เราเข้าไปดูอะไร รู้สึกเหมือนกับมันดูพลาดอยู่เรื่อยครับมันภาคเหรอภาคไม่มีปัญหาจิตมันจะภาคเราห้ามมันไม่ได้แต่เราอย่าไปช่วยมันภาคเท่านั้นนะอย่าเสือเราไปเห็นแล้วจิตมันบอกว่าโทสะอะไรเงี้ยโทสะเกิดแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่เป็นไรถ้าเราไปช่วยมันภาคก็ไปคิดต่อโทสะไ ม, งงไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทํายังไงจะละได้อันนี้ฟุ้งซ่านต่อละ ตรงที่จิตเขาภาคของเขาเองหรือเขาปรุงสุกปรุงทุกปรุงอะไรขึ้นมาที่จิตเราไปรู้เข้าได้นะยังไม่ใช่ตัวปัญหายัางโทสะเกิดเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาจิตมันมีเหตุที่โทสะจะเกิดโทสะก็เกิดหรือราคาจะเกิดก็ยังไม่ใช่ปัญหามันมีเหตุที่ราคาจะเกิดราคาก็เกิด ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอเราไปเห็นโทสะแล้วเนี่ยเรายินดีคล้อยตามมันหรือเรายินร้ายไปต่อต้านมันหรือเราเห็นราคาแล้วเรายินดีคล้อยตามมันหรือยินร้ายไปต่อต้านหาทางละมันตรงที่เราเกิดความยินดียินร้ายแล้วเข้าไปพยายามไปต่อสู้ไปดัดแปลงไปควบคุมไปรักษาตัวสภาวะเนี่ยตัวเนี้ยคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ เพราะฉอย่างจิตเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้โกรธมันโกรธได้เองมันมีเหตุคือเรามีอนุสัยขี้โมโหหรือเรามีอนุสัยขี้โลภเพราะอารมณ์ดีมากระทบเราก็โลภขึ้นมาเรามีอนุสัยขี้โมโหเพราะอารมณ์ร้ายมากระทบเราก็โกรธขึ้นมาจิตมันจะโกรธจิตมันจะโลภเลยเนี่ยจิตมันจะหลงในห้ามมันไม่ได้เพราะฉะั้นไม่ใช่ปัญหา มันเป็นแค่ปรากฏการธรรมดาธรรมดาที่ขันท่ามันทํางานของมันแต่ตรงที่เราหลงยินดียินร้ายแล้วเราเข้าไปแทรกแซงตรงนี้แหละมีปัญหาแล้วทันทีที่เรายินดียินร้ายเราแทรกแซงขึ้นมาความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในใจเพราะงั้นท่านถึงสอนบอกว่าจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคารู้เฉย มันเป็นธรรมดาที่ราคาจะต้องเกิดมีเหตุเขาก็เกิดจิตมีโทสะให้รั่วมีโทสะไม่ได้ให้แก่เพราะฉะนั้นจิตจะปรุงแต่งไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือเราอยากเข้าไปปรุงแต่งจิตถ้าจับหลักตรงนี้ได้แล้วการภาวนาจะราบรื่นอะไรก็ได้ที่ปรากฏขึ้นมาอะไรก็ได้หลวงพ่อใช้คำ ว, ว่าอะไรก็ได้นะ สุขจะเกิดก็ได้ทุกข์จะเกิดก็ได้เฉยๆจะเกิดก็ได้กุศลก็ได้โรคตรธหลงก็ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยอย่างความโกรธมันก็แสดงไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้นะแล้วก็มันบังคับไม่ได้มันเกิดจากเหตุถ้า <Pittsburgh> มีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดเราบังคับมันไม่ได้ทุกๆตัวแสดงไตรลักษณ์เหมือนๆกันหมดเลย ฉะ น, นสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยในทางจริยธรรมสภาวธรรมแต่ละอย่างไม่เท่าเทียมกันกุศลย่อมดีกว่าอกุศลแต่ในขั้นของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นก็รู้ไปอกุศลเกิดก็รู้เหในสติปัฏฐานสอนจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะ จิตมีโมหะเป็นอกุศลจิตไม่มีโมหะเป็นกุศลกิริยาที่ท่านทำต่ อ, อกุศลและอกุศลนั้นเท่าเทียมกันคือรู้นั้นหน้าที่ของเรานี่มีแต่หน้าที่ของการรู้ถ้าเราไปดูมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรมีหลายสูตรที่เรียกมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าสติใหญ่นะมหาสติปัฏฐานหมายถึงมหาสูตรสูตรน้ใหญ่ มีสติปัฏฐานสูตรย่อยๆอีกหลายสูตรในสติปัฏฐานทุกๆสูตรเนี่ยกริยาหลักมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีแต่คาว่ารู้คู่ก็รู้เหยียดก็รู้เหลียวซ้ายก็รู้แลกว่าก็รู้ก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้ รู้อยู่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มีนิวรณก็รู้มีการมาฉันทะนิวรณก็รู้รู้ว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนิวรณดับไปได้เพราะอะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ภายนอกก็รู้ทัน รู้ตาด้วยรู้รูปด้วยรู้หูด้วยรู้เสียงด้วยตัวสำคัญรู้การกระทบด้วยรู้วิญญาณที่รับรู้การกระทบด้วยรู้สังโยตรู้กิเลสที่เกิดตามหลังการกระทบด้วยไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่าให้เกินรู้ไม่ใช่ตามองเห็นรูปแล้วให้ตัดความรู้สึกซะให้กําหนดที่ตาให้กําหนดที่รูปพรุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านให้รู้ไม่ได้ให้กหนดลงไปถ้ากาหนดลงไปแล้วใจมันจะนิ่ง มันจะไม่มีกิเลสไม่มีสังโยชน์อะไรที่เกิดตามหลังมางั้นเรารู้ตามธรรมดาเนี่ยพอรู้แล้วใจเราปรุงกิเลสขึ้นมาเราก็รู้ทันนะงั้นคําว่ารู้เนี่ยเป็นคําสําคัญในสติปัฏฐานเต็ไมไปด้วยคําว่ารู้ไม่มีคําว่าละนะแต่คําว่ารู้แต่เมื่อเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตรงความเป็นจริงมากแล้วมันจะละอันหนึง่งมันจะละความยินดียินรไลในโลกเสะ คำว่าโลกก็คือกายใจรูปนามนี่เองคำว่าโลกในนิยามศาสนาพุทธนะโลกมีนิยามว่าหมูส่สัตว์ก็ได้มีนิยามว่ารูปกับ น, นามก็ได้กายกับใจนี่ที่เรียกว่าโลกงั้นเราทําสติปัฏฐานเรารู้กายเวลารู้กายถูกต้องมันรู้ใจด้วยรู้ทั้งกายทั้งใจหรือเราทําจิตตานุปปัสนาเรารู้จิตรู้จิตถูกต้องก็จะรู้กายด้วยมันจะเนื่องกัน พอรู้แล้วเนี el, ่ยเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามแล้วมันจะละความยินดียินร้ายในรูปในนามนั้นได้เช่นเราเคยยินดีกับความสุขยินร้ายกับความทุกข์ยินดีกับกุศลยยินร้ายกับอกุศลพอเราเจริญสติปัฏฐานมากๆเราก็เห็นว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวกุศลชั่วคราวกุศลชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราว พอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวมันเสมอภาคกันเนี่ยจิตจะไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางรู้รูปด้วยจิตที่เป็นกลางรู้นามาทำทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางจิตไม่เติมแต่งไม่ปรุงแต่งต่อตรงที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้อะไรปรากฏก็ได้ไม่เลือกหรอกสภาวะธรรมใดๆปรากฏก็เสมอภาคกันทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไม่ปรุงต่อ เพราะฉั้นอย่างจิตทุณนัยจะปรุงราคาขึ้นมาปรุงโทสะขึ้นมาหรือมันจะภาคขึ้นมามันจะบรรยายมันจะพูดขึ้นมาไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันเราก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นปรากฏการ์ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจไม่ยินดียินร้ายขึ้นมาถ้าใจไม่ยินดียินร้ายใจจะไม่ปรุงแต่งพอมันหมดความปรุงแต่งจิตจะเข้าไปสัมผัส ธ, ธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานได้ งั้เส้นทางนี้ไม่ได้ลึกลับอะไรเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะแต่อย่าเอาเหตุผลของการคิดมาใช้ให้รู้กายให้รู้ใจไปจนมันประจักษ์ชัดว่าทุกอย่างชั่วคราวจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตจะไปสัมผัสกับธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานไม่ได้ดับไปนะมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าวิชาความไม่รู้ความไม่เห็นของเราไปบังไว้ ปิดบังพอเราไปเกิดอวิชชาเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเรารักเราหวงแหนในกายนี้ในใจนี้อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมมีความไม่รู้ทุกคือไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นก้อนทุกข์ก็เกิดอยากให้มันมีความสุขเกิดสมุทัยขึ้นมาเกิดการดิ้นรนขึ้นมาจิตใจยิ่งมีความทุกข์ซับซ้อนครับอีกนะแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะีมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนเล นิโรธจะปรากฏขึ้นนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเลยนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสิ้นตัณหาเ น, นี่ยเองสิ้นความทยานอยากของจิตเมื่อสิ้นความทยานอยากของจิตสิ้นตัณหาพบคือการทํางานของจิตก็จะไม่เกิดขึ้นคือจิตจะไม่ปรุงต่อละเมื่อไม่มีพบไม่มีการทํางานของจิตจิตจะไปสัมผัสไปเห็นนิพพานได้ งั้นทันทีที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจนี้แจม่มแจ้งจนกระทั่งรู้ว่าเป็นแค่ธาตุแค่ขันไม่ใช่เรานะหมดความรักหมดความอยากนี่สมุทัยถูกละอตโนมติหมดความอยากจะให้มันสุขให้มันดีให้มันคงทนถาวรให้มันเที่ยงให้มันบังคับได้ตลอดไปพอหมดความอยากนี่นิโรธหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่ตาการที่เรารู้ทุกข์ จนกระทั่งหมดความอยากล้าสมุทัยได้แจ้งนิโรธขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเรียกว่ามรคเรียกว่ามรคมรคตัวนี้คืออริยมรคส่วนมรคที่พวกเราคอยรู้กายคอยรู้ใจนี้ไม่เรียกว่าอริยมรคเรียกว่าบุพภะภาคมรคเบื้องต้นยังไม่ใช่ตัวอริยมรคนะที่พวกเราเดินกันอยู่อริยมรคเกิดขึ้นเองถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วยอมรับนี่อริยมรคจะเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวเองชั่วขณะเดียวสังโยชน์ก็ขาดละขาดแล้วขาดเลยไม่กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่อย่างสังโยชน์ทั้งหลายก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดตลอดเวลานะคุณนันก่อนหลวงพ่อเข้าใจผิดตอนหัดภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อคิดว่าสังโยชน์มีอยู่ตลอดเวลาอย่างเวลาที่จิตลงภวังเนี่ยสังโยชน์ไม่มีหรือเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย เด็กเกิดใหม่ๆเด็กไม่ได้สําคัญว่านี่กายนี่ใจของตัวเองนี่เป็นตัวเราอะไรเด็กคิดไม่เป็นนั้นเด็กเกิดใหม่ยังไม่มีสัพจะทิฏฐิเด็กที่เกิดใหม่ๆไม่มีวิจิกิจฉาไม่เคยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยวิจิกิจฉาที่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกวิจิกิจฉาแท้ส่วนวิจิกิจฉาความสงสัยเช่นคนนี้ชื่ออะไรถนนนี้วิ่งไปถึงไหนอะไรเงี้ย เรียกวิจิกิจฉาเทียมนะตัวนี้ไม่ใช่กิเลสเด็กไม่มีวิจิกิจฉาคือไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เด็กไม่มีศีลรัตตตาปรามาตไม่ได้ถือศีลบําเพ็ญพรตอย่างงมงายเพราะเด็กไม่คิดจะถือศีลบําเพ็ญพรตอะไรวันๆะแค่ได้กินนมก็พอใจแล้วนะได้นอนได้ทําตัวอบอุ่นงั้นเด็กเกิดใหม่ๆไม่ได้มีสังโยชน์แต่มีอนุใส่นะพร้อมที่จะงอก กิเลสหยาบๆขึ้นมาพร้อมที่จะสร้างสังโยชน์สร้างอะไรขึ้นมาใหม่อีกของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอนุสัยจะเกิดตลอดเวลาในขณะที่จิตของเรามีสติขึ้นมาอนุใสก็ไม่มีสังโยชน์ก็ไม่มีถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะั้นตัวกิเลสเองก็เกิดเกิดดับดับสังโยชน์เองก็เกิดเกิดดับดับเป็นขณะขณะขณะไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นๆนั่นเอง ไม่ต้องไปเกลียดมันนันเกิดขึ้นมาก็รู้ไปมันก็เกิดแล้วก็ดับให้เราดูแสดงธรรมะให้เราดูเท่าเทีเทยมกับธรรมะฝ่ายกุศลนั่นแหละพอรู้ชัดชัดรู้มากๆนะถึงจุดที่อริยามรรคเกิดแล้วคราวนี้มันจะตัดสังโยชน์เด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างพระโสดาบาันขาดสติได้ไหมขาดสติได้แต่ขณะที่พระโสดาบาันขาดสตินะจะไม่มีสักยัติจิขึ้นมาไม่มีล้ ขาดแล้วขาดเลยดูลงมาทีไรนะไม่มีความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเลยแต่ว่ายึดถือไว้ยึดถือไว้ดังั้นการภาวนาถ้าจิตของคุณในมันจะภาคจิตของคุณนจะมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าเราเกิดยินดียินร้ายยินดีในความดีของมันในความสุขของมันยินร้ายในอาคูสนในความทุกข์เนี่ย จิตจะดิ้นจิตจะทำงานอยากให้ดีเห็นหความอยากเกิดจิตก็ดิ้นอยากให้พ้นทุกข์อยากให้มีความสุขอยากให้กิเลสหายไปจิตจะเกิดการดิ้นทั้งนั้นเลยทันทีที่ตัณหาเกิดจิตก็ดิ้นเพราะฉะนั้นให้รู้สภาวธรรมทั้งหลายอย่างเป็นกลางถ้ายินดียินร้ายรู้ทันความยินดียินร้ายดับไปมันจะเป็นกลาง ให้รู้สภาวธรรมทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางนี่แหละสภาวธรรมจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความเป็นจริงของกายของใจที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ว่าเห็นอะไรหรอกดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นธรรมดาของกายของใจนี่เองที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรม ธรรมดาของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตยอมรับตรงนี้ได้ดงั้นที่เราเรียนธรรมะนะก็เพื่อวันหนึ่งจิตใจเราจะยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจนี้ <c ười> คอยเรียนไปเรื่อยจนไม่ยึดถือวันหนึ่งหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ตราบใดยังยึดถือกายยังยึดถือใจอ ย, อยู่ความทุกข์ยังมีอยู่เพราะอะไร เพราะกายกับใจนั่นแหละคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกข่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์คือขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตราบใดที่ยังหยิบฉวยขันห้าอยู่นะความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นภาระเองเกิดขึ้นถ้าเราเห็นแจ้งในกายในใจจนวางปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็คือเราวางตัวทุกข์ทิ้งไปแล้ว มันจะเข้าถึงสันติสุขล้วนๆเลยคราวนี้มีแต่ความสุขล้วนๆนะทั้งวันทั้งคืนจิตมันเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งอกูศลมันจะมาปรุงไม่ได้เลยนะกูสนก็ไม่ปรุงแต่กุศลมีอย่างเวลาที่เราต้องสัมผัสต้องสัมพันธ์กับโลกกับคนอื่นเนี่ยจิตมันจะปรุงความเมตตาขึ้นมาปรุงเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาอะไรปรุงขึ้นมาใช้งานนะพอใช้งานเสร็จเลิก อยู่ของเราลําพังเนี่ยมันตัดความปรุงแต่งผู้นี้ทิ้งไปเลยมันไม่มาห่วงใยอะไรอาบอลผู้ใดผู้หนึ่งเลยสิ่งนีด้เดี๋ยวก็ไม่มีนะอย่างพวกเราผูกพันกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ผูกพันกับเราหรอกหลวงพ่อเคยไปเห็นองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาแสดงธรรมะนะจะนุ่มนวลอ่อนโยนโอ้แทบจะเอาเราใส่ตะกร้าเลยนะสนุถนอม แต่พอท่านแสดงธรรมเสร็จแล้วถามเราว่าเข้าใจไหมเราก็จะบอกว่ายังไม่เข้าใจอยขอไปลองก่อนหรือบางตอนไหนเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจเนี่ยล้มก้มลงกราบท่านนะพอเงยหน้าขึ้นมาเราพบคนอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักนะคนแก่ที่นุ่มนวลใจดีคนนั้นหายไปอัตโนมัติเลย กลายเป็นคนคนใหม่ที่เราไม่สัมผัสสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นะเนี่ยสภาวะของครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มาผูกพันอะไรกับใครเลยสักคนเดียวไม่มีหรอกนะถ้ายัางต้องสัมผัสอยู่ก็เมตตากรุณาอะไรก็เมตตาไปอย่างนั้นแหละเป็นสภาวะที่เราตามร่องรอยได้ยากที่สุดนะที่ท่านเทียบบอกเหมือนรอยเท้านกในอากาศนกเหยียบอากาศไว้นะแล้วรอยเท้าอยู่ตรงไหน รอยเท้านกในอากาศตามร่องรอยไม่ได้ภาวนานะภาวนามีทางอันเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าสภาวะเหล่านี้เป็นยังไงก็คือเราต้องภาวนาใ ห, ให้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วจะรู้ว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้โกหกนะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังล้วนๆเลยเป็นธรร ม, รรมที่อัศจรรย์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นทีแรกนะ้น้ํำตาตกเลยนะน้ำตาร่วงเลย โอ้มันธรรมะขนาดนี้ก็มีด้วยไม่ได้ร้องไห้เพราะดีใจเสียใจนะแต่มันเป็นธรรมะปีติปีติในธรรมะของพระพุทธเจ้านะค่อยดูนะศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราคือความไม่มีสติภาษาไทยง่ายๆก็คือใจลอยเหม่อไปเผลอไปลืมกายลืมใจตัวเองศัตรูหมายเลขหนึ่งตัวนี้นะ ศัตรูหมายเลขสอคือการเพ่งตัวเองเพ่งกายเพ่งใจการเพ่งมีหลายภาษานะถ้าเพ่งอย่างรุนแรงก็เรียกว่าเพ่งถ้าตอนเริ่มเพ่งเรียกว่ากำหนดกำหนดไปเรื่อยๆผลที่ตามมาคือการเพ่งพระพุทธเจ้าบอกให้รู้นะในสติปัฏฐานมีแต่คำว่ารู้ถ้าไม่ได้ให้กําหนดนะคำว่ากําหนดเป็นคําที่เจือด้วยโลภะเจตนา โลภะเจตนาเกิดขึ้นก็คือการกระทํากรรมนั่นเองจิตใจก็จะเกิดวิบากเกิดทุกข์กก ข, ข, ขึ้นมาจะหนักหนักแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อขึ้นมาเกิดวิบากงั้นภาวนาแล้วจิตเครียดเครียดแข็งแข็งทำผิดแน่นอนนะภาวนาจิตแล้วต้องรู้รู้ตื่นเบิกบานสงบสะาสว่างเบาอ่อนโยนไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำคล่องแคล่วว่องไว ซื่อตรงในการรู้สภาวธรรมทั้งหลายตามที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซง น, นจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนั้นของคุณดนยัยหลวงพ่อต้องสอนเยอะหน่อยนะเพราไปทำงานเผืยแพรกความจริงถ้าเข้าใจประมาณ20นาทีที่หลวงพ่อบอกเอาไปภาวนาได้ทั้งชาติเลยเชื่อสิการภาวนาก็คือการมีสติ รู้ทุกคือรู้กายรู้ใจจะรู้กายรู้ใจก็อย่าใจลอยไปขาดสติอย่ามัวแต่เพ่งกายเพ่งใจเพราะมันไม่ใช่การรู้กายรู้ใจเมื่อรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นไตรลักล้วนๆจิตใจไม่ยึดถือในกายในใจสมูทัยหรือตัณหาจะขาดอัตโนมัติไม่เกิดอีกแล้วตัณหาทันทีที่ตัณหาดับลงไปนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องสแสวงหานะ นิพพานไม่ใช่ธรรมะที่ต้องแสวงหานิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่กับพระนิพพานไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้างั้นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเมื่อไรใจหมดตัณหานะก็จะเห็นแล้วมีความสุขที่สุดเลยกิเลสตัณหานะเป็นเครื่องแผดเผาทําลายสันติสุขในจิตใจของเรานี่พวกเรารักกิเลสนะสังเกตไหม ครูบาอาจารย์สอนอะไรไม่ค่อยฟังรู้สึกไหมถ้ากิเลสสอนแล้วฟังนะอย่างครูบาอาจารย์บอกอ้าวเดินจงกรมกิเลสบอกนอนถามสิเชื่อใครถามดูเนชะื่อใครนมันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากอะไรเลยมันยากเพราะเราไม่รู้หลักเราสู้แบบมวยวัดพระพุทธเจ้าสอนหลักนี่ชัดเจนที่สุดนั้นธรรมะของท่านถึงแจ่มแจ้ง แขมแจ้งที่สุดธรรมะของท่านงดงามในเบื้องต้นในท่ำกลางในที่สุดนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งธรรมจักเนี่ยที่ท่านแสดงธรรมจักท่านหมุนกรงล้อของธรรมจักรแล้วเนี่ยทันทีที่ท่านหมุนกรงล้อธรรมจักแล้วจะไม่มีใครต่อต้านได้แล้วนะงั้นถ้าเราเข้าใจอริยสัจ เ, เข้าใจธรรมจัก น, นั่นเอง ให้ไปนั่งเถียงกับไข่ก็ได้นะอริยสัจเนี่ยครอบคลุมทําทั้งหมดไว้แล้ครอบคลุมทําฝ่ายเกิดคือทุกข์และสมุทยัยครอบคลุมทําฝ่ายดับนะคือนิโรธกามกัครอบคลุมทําฝ่ายของกิเลสครอบคลุมทําฝ่ายกิเลสอย่างตัวสมุทยัยครอบคลุมทําฝ่ายที่พ้นกิเลสคือนิโรธครอบคลุมตัวทุกข ทุกอยู่กลุ่มหนึ่งครอบคลุมความพ้นทุกอยู่อีกกลุ่มหนึ่งในยักษ์ของอริยสัจนะ่ะอัศจรรย์ที่สุดเลยมีในยักษ์จำนวนมากนะมีแง่มีมุมจำนวนมากแล้วมันจะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดเลยถ้าใครเข้าใจอริยสัจก็จะข้ามภพข้ามชาติใครไม่เข้าใจอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีทางเลือกเลย ขยันนะขยันเรียนเรียนรู้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็เรียนอริยสัจด้วยการลงมือเรียนจากของจริงฟังหลวงพ่อพูดอริยสัจให้ฟังนี่คือปริยัตลงมือเรียนอริยสัจด้วยตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจนี่คือภาคปฏิบัติและผลของการปฏิบัติมันจะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับของตัวเราเองนะของใครของคนนั้นทําแทนกันไม่ได้ อย่าเสียเวลากับออ ก, การอ่อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ช่วยไม่มีใครช่วยใครได้หรอกต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าช่วยเราได้แค่บอกทางหลวงพ่อก็จาพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราอีกทีงานของหลวงพ่อสิ้นสุดลงที่การบอกนี่แหละที่เหลือพวกเราต้องทำเองนะทำเพื่อใครเพื่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เพื่อใครหรอก ไม่ใช่มาทําเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแท้ๆเลยกิเลสแผดเผาจิตใจเล่าร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันเห็นไหมมันทุกข์ขนาดไหนเห็นบ้างไหมแล้วจะยอมจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าตลอดชีวิตแล้วก็ข้ามพบข้ามชาติก็ไปจมอยู่อย่างนี้อีกหรือนะชีวิตนี้นะได้ฟังธรรมะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ฟังธรรมะ เป็นนาทีทองในสังสารวัตรแล้วนะน้อยชาติที่จะได้เกิดเป็นคนนะน้อยชาติที่จะได้ฟังธรรมะน้อยชาติที่จะสนใจศึกษาปฏิบัติลงมือทําจริงๆชาตินี้พวกเรามีทุกอย่างเลยนะพวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พวกเราสนใจศาสนาพวกเรามีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพวกเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนเลยคนงานมากก็ปฏิบัติได้นังานน้อยก็ปฏิบัติได้นะ เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดแหละนี่เราได้รับสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วถ้าเราลึกชาติได้เยอะๆจะรู้เลยชาติใดไม่เจอาศาสนาพุทธนะจะวางเวงใช้คำว่าวางเวงนะแล้วไประลึกเอาเองดูว่าวางเวงไหม <c oughs> มันวางเวงไม่ใช่ชั่วนะแต่วางเวงกานทำบุญทาทานทาอะไรอย่างงี้มทําไม่ใช่ไม่ทำหรอก แต่จิตใจไร้ทิศทางไร้ที่พึ่งมันวังเวงใจนะันชาตินี้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีโอกาสที่ได้ฟังธทมได้ศึกษาปฏิบัติแล้วต้องทำนะถ้าจะทิ้งนาทีทองในสังสารวัตนี้ไปนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะไม่เหมือนนาทีทองในโทรทัศน์หรือตามห้างสรรพสินค้านะั้นมันโกหกวันหนึ่งมันมีตั้งหลายรอบนะ <c oughs> บางคนมาถามหลวงพ่อทาไมหลวงพ่อภาวนาเร็ว ตั้งแต่หลวงพ่อเจขวบนะหลวงพ่อภาวนาจะทำได้แค่สมถะไม่มีวันใดที่ไม่ทำเลยคิดว่าการปฏิบัติมีแค่นั้นแหละนั่งหายใจธรรมานาปนาาันสติจนอายุ29่สิติดทำสมถะ2 2ปีไปต่อไม่เป็นจะเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง ตั้งแต่ยีกุมภาสองห้าที่ท่านสอนเนี่ยไม่มีวันใดที่ไม่ได้ดูจิตตัวเองแทบจะเรียกว่าเว้นแต่เวลาทํางานที่ต้องคิดนะกับเวลานอนนะเวลาที่เหลือคือเวลาดูจิตถ้าเรากล้าทุ่มเทขนาดนี้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วมันยังดูต่อเลยแล้วทําไมมันจะไม่เร็วทําอยู่ทั้งวันทั้งคืนอะ เอาให้ได้นะหลวงพ่อไม่ได้วิเศษกว่าพวกเราหรอกนะแต่หลวงพ่ออึดกว่าพวกเราหลวงพ่ออึดแล้วหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อง่ายดีนะไม่ใช่ภาวนาไปเจอสภาวะอะไรก็เชื่อแล้วบรรลุแล้วถูกกิเลสเอาไปกินแล้วนะ<ม>งั้นเกิดอะไรขึ้นนะต้องดูนะทบทวนแล้วทบทวนอีกค้นกว้าพิจารณาตรวจสอบด้วยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าภาวนาแล้ว กิเลสลดลงไหมตัณหาลดลงไหมภาวนาแล้วยังอยากคลุกคลีกับผู้คนไหมมักน้อยสันโดษไหมยินดีตามมีตามได้ไห ม, มหรือยังอยากยุ่งกับผู้คนเยอะแยะภาวนาแล้วพอใจในความสงบสงัดไหมภาวนาแล้วศีลของเราดีขึ้นไหมภาวนาแล้วจิตของเราตั้งมั่นไหมภาวนาแล้วเราเห็นความจริงของกายของใจมากขึ้นมากขึ้ น, น, นห ภาวนาแล้วทุกน้อยลงไหมใครรู้ลงไปตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆนะเครื่องตรวจสอบมีนะพระพุทธเจ้าสอนม้เยอะแยะไม่ใช่ภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้ น, นมาบอกบรรลุพระอรหันต์นะ <c oughs> อย่างงั้นมันหันไปหันมากิเลสมันไม่หมดหรอกนะ เ, อเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์